สถานีวิทยุครับกรัวข่าวซอยตรอเฟ่หข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อาภิปุลโนเรามาพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ท่านผู้ฟังสัปดาห์หนึ่งก็หลายวันหน่อยนะเพื่อให้ได้ฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสิ่งที่ท่านได้บอกได้สอนไวน้เนี่ยท่านผู้ฟัง าการกครใกล้ครวนไตรตรองพิจารณาแยกแยะบอกสอนคนในสมัยนั้นเขาได้ฟังกันก็มีการทรงจำในรุ่นต่อๆมาก็จดบันทึกเอาไว้แยกแยะเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายทำการศึกษาได้อย่างดีจนมาถึงสมัยของพวกเราเนี่แหละท่าฟังที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะ อันเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายรูปแบบมากนะระวังโอ้ยอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ก็พูดภาษามาโค ต, ตในปัจจุบันนี้ก็มาในรูปแบบของภาษาบาลีแต่ซึ่งก็มีครูบาอาจารย์ที่ได้มีความเชี่ยวชาญศึกษาภาษามีหลักไวยากรณ์อะไรต่างๆแต่จะไม่มีการแปลแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยต่างๆ บทมูที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในปัจจุบันนั้นก็จะอยู่ในตำราคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกก็มีการแยกไว้เป็นส่วนที่เป็นพระวินัยกับส่วนที่เป็นพระธรรมเรียกว่าเป็นธรรมวินัยในส่วนที่เป็นธรรมะนั้นก็มีพระสูตรต่างๆมีส่วนที่เป็นพระสูตรเป็นเรื่องราวมีส่วนที่เป็นบทสนทนาโต้ตอบมีส่วนที่เป็นคําอุทาน มีส่วนที่เป็นคาถาต่างๆนี้ก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่นนในตำราจากจุดต่างๆก็อาจจะมีที่ซ้ํากันบ้างนะคือคําพูดเดียวกันนี้ไปปรากฏอยู่ในพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างนะเป็นเพราะว่าพระบรุตรเจ้าท่านตรัสไว้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขาร้อยเรียงแยกแยะกันมาแล้วนะจัดหมวดหมู่ตามตัวเลขเอาไว้นะมางทีก็จะมีส่วนที่ซ้ํากันนะทบตวนกันตรงนี้ เราก็มีคําสอนส่วนหนึ่งที่เป็นคำภี์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับพระพุทธเจ้ากล่าวคาถาเอาไว้คาถาเนี่ยคือหมายถึงสิ่งที่เป็นคํากรอนถ้าเราจะได้ยินคําว่าเออนี่เป็นคาถานคาถานี้นาานจริ ง, รงๆแล้วก็คือหมายถึงคํากรอนนั่นแหละคํากรอนที่เราอย่างโครง4สุภาพกรอนหหรือกรอนแเนี่ยเป็นลักษณะคําที่เขาร้อยเรียงกันมามีรูปแบบแบบแผนแน่นอนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ ชำนาญในเรื่องของภาษาในการที่จะกล่าวคำกลอนต่างๆเหล่านี้นะซึ่งในรูปของคำกลอนถ้าเป็นภาษาบาลีนักศึกษาเขาก็จะใช้คําว่าเป็นคาถาก็จะมาเป็นรูปแบบของคํากลอนที่เป็นภาษาบาลีทีนี้ในคํากลอนคาถาต่างๆเหล่านี้เอท่านตรัสไว้ปรารบเรื่องอะไรทําไมท่านถึงกล่าวคาถาต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านได เอาเรื่องราวแต่งเรื่องราวเนี่ยที่มาอธิบาย่ว่าอ๋อปรารบเรื่องอะไรถึงกล่าวคำนี้คำนี้ออกมาออกมาซึ่งเรื่องราวที่แต่งขึ้นมานั้นก็มีเขาโครงจริงบ้างก็มีแต่เป็นเรื่องที่แต่งเสริมเติมขึ้นมาก็มีอันนี้เราจึงต้องมีการแยกชั้นข้อมูลแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทุกผู้ฟังเราก็ต้องมีการแยกชั้นข้อมูลศึกษาให้หละเอียดทีท่วนนิดนึงว่าไอ้ที่เรากําลังฟังอยู่นี้ นะเป็นข้อมูลชั้นไหนชั้นไหนนะถ้ามีความลงรับกันสอดคล้องกันเออนี่มันเป็นข้อมูลทําให้เรามีความรู้ความขวางขึ้นสิ่งไห น, นที่มันอาจจะยังลงไม่รับกันหรือมีความแตกต่างกันเนี่ยเราก็เอามาพินิจพิจารณาวิเคราะห์แยกๆเป็นอีกส่วนหนึ่งไปในะวันนี้จะให้ทุกผู้ฟังได้ฟังเรื่องของเศรษฐีคนหนึ่งที่มีความขี้เหนียวมากๆเลยแมฟังแล้วจะเห็นถึงความของคนที่มันเหนียวเนี่ยนะ มันเหนียวจริงๆเดีเหนียวช น, นิดที่เรียกว่าตัวเองอยากกินขนมเบื้องนะแต่กลัวว่าจะเสียของที่จะต้องมาทําแป้งเอ้ยขนมเอ้ยอะไรต่างๆแล้วก็อดจ้ะไม่อยากไม่กินในะแต่แม้จกนกระทั่งตัวเองป่วยนอนสมจกนกระทั่งภรรยาก็มาถามไทยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทราบความไปทราบความมาก็เลยพบว่า อ, อ๋ออยากกินขนมแม่เดี๋ยวจะทําให้กิน ตรงนี้ลหละจึงเป็นประเด็นที่ว่าสุดท้ายไม่ได้กินนะทาฟังเศรีคนนี้นะเรามาฟังเรื่องราวของเศรษฐีขี้เหนียวที่สุดท้ายนั้นก็สามารถละความตรรนีได้ดูซิว่าท่านทำยังไง น, น, นี่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแก้ทิฏฐิของเศรษฐีคนนี้อย่างไรโดยให้ท่านพระมหาโมกลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มาช่วยจัดการตรงนี้เรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวทมาฟัง ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านพระมหาโมกขละนะไปสการเรื่องนี้รับฟังกันเรื่องของเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวชื่อโกศิยะพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงบรารอเศรษฐีชื่อโกศิยะผู้มีความตรณีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ยะถาปิพระมะรู ป, ปุผังวันนะวันตังอาเหธยังปะเลติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเจเรแลลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำถือเอาแต่รสแลว้ววินไปฉะนั้น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 ที่พอแนะนำในการตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปฏิผลของเศรษฐีพร้อมทั้งปริยาซึ่งอยู่ในที่สุดแห่งที่45โยต์ก็ในวันก่อนแต่นั้นเศรษฐีนั้นไปสู่พระราชมุเทียนเพื่อบำรุงพระราชา ทำการบำรุงพระราชาแล้วกลับมาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบงำกำลังกินขนมกุ้มมาสคือขนมเบื้องให้เกิดความกรลายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรืองของตนแล้วมีความคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซ้คนเป็นนันมากก็จะพากันอยากกินกับเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นวัตถุเป็นนันมากมีงาเข้าสารเหนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแกใครๆในนีน้แล้วก็อดกลั้นความอยากเที่ยวไปเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเขาปอมเหลืองลงทุกทีมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นแต่นั้น ไม่สามารถจะอดกั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้วนอนกอดเตียงเขาแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรๆแก้ใครๆเพราะกลัวเสียสรัพย์ลำดับนั้นภรรยาจึงเข้าไปหาเขารูปหลังแล้วถามว่าท่านไม่สบายหรือนายเจตีความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มี ภรยาก็พระราชาเกลื้ยท่านหรือเศรษฐีถึงพระราชาก็ไม่เกลี้ยฉันปรยาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรๆที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือบริวารชนมีทาตกรรมกรเป็นต้นกระทําแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีแม้การเห็นปานนั้นก็ไม่มีปรยา ก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือแม้เมื่อภรยาก่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวเสียศัพย์ลำดับนั้นภรยาก่าวกับเขาว่าบอกต่านนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนเกลื่นคำพูดไว้บอกว่าฉันมีความอยากภรยาอยากอะไรหรือนาย เศรษฐีฉันอยากกินขนมเบื้องภรยาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในศักกระนิคมทั้งสิน้นเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จะกินของตนภรยาถ้ากระนั้น ดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยซั์ละภรรยาถ้าอย่างนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนี้เศรษฐีฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัตยาศัยกว้างขวางละภรรยาถ้ากรนัน ดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนศักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นประยาก็ดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันอย่างนั้นหรือเศรษฐีเธอจะทำทำไมประยาถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐี ก็ เ, เมื่อเธอทอดขนมที่นี้คนเป็นอันมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้นถือเอาข้าวสารหักและเชิงกรานและกระเบื้องและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำพึ่งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งประสาทเจ็ดชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจะนั่งกินณนะที่นั้น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 ภรายาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มทอดขนมตอนพระมหาโมกขละไปตรมานจิตถีกระนั้นพระาศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมกขละเทระมาแต่เช้าตรู่แล้วตรัสว่าโมกขลานะในสังกรณิคม ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชกฤชเศธีผู้มีความตรณีนั้นคิดว่าจะกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนประสาทาเจ็ดชั้นเพราะกลัวคนเหล่าอื่นเห็นเธอจงไปนะที่นั้นแล้วตรมาเษถีทำให้สิ้นประย์ให้ผัวเมียแม่ทั้งสองถือขนม และน้ำนมเนยใสน้ำพึ่งและน้ำอ้อยแล้วนำมายัางพระเชตวันด้วยกำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุ5 0าอยรูปจะนั่งในวิหารนั่นแหละจะทำพัฒกิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเตระก็รับพระํำรัดของพระาศาสดาแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤท ทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหบัญชรคือช่องหน้าต่างแห่งประสาทหลังนั้นเหมือนรูปแก้วมณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศเดียวเพราะเห็นพระเทระนันแล่ดวงหัไทยของมหาเศรษฐีก็สันตานเขามีความคิดว่าเรามาที่นี้ เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้เป็นอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะนี้ยังมายืนดูที่ช่องหน้าต่างได้ก็เมื่อไม่เห็นเครื่องมือที่ตนจะช่วยเอาเดือดดานทำเสียงกระตะกะตะประดุดก้อนเกลือที่ถูกรอยลงในไฟจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจะได้อะไรแม้จงกรม แสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหารอยไม่ได้ก็จะไม่ได้เหมือนกันพระเตระจงกลมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแหลเศรษฐีจึงกล่าวว่าท่านจงกลมอยู่จะได้อะไรแม้นั่งขัดสมาธิในอากาศก็จะไม่ได้เช่นกันพระเตระจึงนั่งคู่บาลังลาดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับท่านว่า ท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จะไม่ได้พระเทระได้ยืนอยู่ที่ธรณีหน้าต่างแล้วลาดับนั้นเขากล่าวกับตันว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจะได้อะไรแม้บังหวนขวันแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันแม้พระเทระก็บังหวนกวันประสาททั้งสิ้น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 ตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นเหตุการณ์นั้นกล่าวว่าเชอรรอยหลอนจะหยิบแป้งมากไปในนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทับีแล้วยอดลงเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นๆนก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียว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 ในปื้นต้องฟ้าว่าท่านที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังธรรมนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงมานั่งบนบันลังนี้เถิดตอนพระเถระนำเศรษฐีและภระยาไปเฝ้าพระศาสดา พระเตระกล่าวขึ้นว่ามหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในวิหารกับภิกษุห้าร้อด้วยตั้งพระไตยว่าจะเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเศรษฐีท่านจงให้ภริยาที่เอาขนมและวัตถุอื่นมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเศรษฐี ก็บัด น, นี้พระาศาสดาประทับอยู่ที่ไหนเล่าครับพระเตระประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารในที่สุดแห่งที่45โยธจากที่นี้เศรษฐีท่านผู้เจริญพวกเราจะไปสิ้นหนทางใครมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลาได้อย่างไรพระเตระมหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจ เราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของตนหัวบันไดปราสาทของท่านจะมีในที่ของตนนี้เองแต่เชิงบันไดจะมีที่ซุ้มประตูพระเชตวรรเราจะนำไปสู่พระเชตวรรโดยการชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นล่างเขาจึงรับคำดังนั้นแล้วพระเตระทำหัวบันได ไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วอธิฐานว่าขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นนั่นแหละพระเตระให้เศรษฐีและภรรยาถึงพระเชตวันเร็วกว่าการที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปอย่างชั้นล่างสามีภรรยา แม้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลกันพระศาสดาสเสด็จ้าไปสู่โรงชันแล้วพระทัพนั่งบนพุทธาฏที่เขาปูลาดไ้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเศรษฐีได้ถวายน้ำทักสีโนทกแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ภรยาใส่ขนมในบาตรของพระตาคตเจ้าแล้วแม่มหมาเศรษฐีพร้อมด้วยภรยาก็บริโภคขนมเพ่อแก้ความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมแก่พิกษุในวิหารทั้งสิ้นและให้แก่คนกินเด่นทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นไปแห่งขนม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 พระเชตวันแม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงื้อมขนมเบื้องมาเษตีพร้อมด้วยภรยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในการจบอนุโมทนา สามีและภรรยาทั้งสองน้ำรงอยู่ในโซดาปฏิปนแล้วถวายบังคมพระศาสดาขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันแล้วสถิตยอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีได้เกลีย่ยทรัพย์จานวน80โกดในพระพุทธศาสนานั่นแหละตอนพวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมกขลนะ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 กระทำให้หมดประโยชน์แล้วให้เขาถือขนมนำมาสู่พระเชตวันกระทําไว้ตรงพระพักพระศาสดาแล้วให้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลน่าสะันพระเทระมีอนุภาพมากพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์เสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่า ภิกษุทัหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุมด้วยเรื่องอะไรกันเนาเมื่อภิกษุเหล่นั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระโชาข่าจึงตรัสสันเสริญพระเตระว่าภิกษุทัง้งหลายธรรมดาภิกษุผู้ทรมานไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ให้สกุลชอกชำ้ำ ไม่เบียดเปลี่ยนสกุลเป็นดุดแมลงผู้เข้าเอาละอองจากดอกไม้เข้าไปหาสกุลแล้วควรให้รู้พุทธคุณโมกรละนะบุตรของเราก็เป็นเช่นนั้นดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่ามูนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสี และกลิ่นดอกไม้ให้ชอบชำ้ำถือเอาแต่รถแล้วบินไปฉะนั้นบาลีว่ายะถาปิพมโรปุผังวันนะวันดังอเหธยังเปเลติระสะมาทายะเอวังคาเมมุนีจจเรออนแกอัชาติแห่งสัตว์ ผูกระทำน้ําหวานชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่ามแมลงผู้ในพระคถานั้นคําว่าปุบผังแปลว่าดอกความว่ามแมลงผู้เมื่อบินไปในส่วนดอกไม้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ําคือว่าไม่ให้เสียหายบินไปคำว่าปาเลติแปลว่าบินไป หมายความว่าครั้นบินไปอย่างนั้นแล้วดื่มรถจนพอความต้องการขาบเอารถแม้อื่นไปเพื่อประโยชน์แก่การกระทำน้ำหวานแล้วบินไปแมลงผู้นั้นร่อนลงสู่ปลาชัดแห่งหนึ่งแล้วเก็บรถซึ่งเจือด้วยเกษรนั้นไว้ในโปร่งไม้แห่งหนึ่งแล้วกระทำรถ น้ำหวานให้เป็นน้ำพึ่งโดยลำดับดอกหรือสีและกลิ่นดอกไม้นั้นหาชอกช้ำไปไม่เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งแมลงผู้นั้นเป็นปัจจัยที่แท้สิ่งทั้งหมดคงเป็นปกติอยู่นั่นเองข้อที่ว่าเอวังคาเมมุนีจะเร มุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแปลว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนหมายความว่าพระอนาคารยะมุนีต่างโดยเสขะและอะเสขะก็ฉะนั้นเที่ยวรับภิกษาในบ้านโดยลำบับสกุลแต่จริงการเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคหามีแก่สกุลทั้งหลาย เพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีนั้นเป็นปัจจัยไม่ศรัทธากด็ดีโภคากด็ดีคงเป็นปกติอยู่นั่นเองก็แลพระเสขมุนีและอะเสขมุนีครั้นเที่ยวไปอย่างนั้นออกมาแล้วพระเสขมุนีปูสังคตินั่งนะที่ที่สบายด้วยน้ำ ภายนอกบ้านก่อนแล้วพิจรารณาอาหารบินดาบาดด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยน้ำมันหยอดเปล่าผ้าปิดแผลและเนื้อแห่งบุตรแล้วฉันบินดาบาดหลบเข้าไปสู่ไปรสนเห็นป่านนั้นพิจารณากรรมฐานเป็นปลายภายในกระทำมักสีและผลสี ให้อยู่ในเงืมมือให้ได้ส่วนพระอาเซขมุนีกระทำการอยู่สบายในทิฏ ธ, ธรรมเนื่องเนื่องมันดิตพึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงผู้โดยการกระทำน้ำหวานเช่นนี้แต่ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพระกีนาศพในการจบเทสนาชวนเป็นอันมากบรรุ ปริยพลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นพระศาสดากรันตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วเพื่อจะประกาศคุณของพระเทระแม้ให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมกกลณนะตรมานเศษฐีผู้มีความตรณีในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการกรนเธอก็ตรมานเขาแล้ว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 เราไม่รู้จักเศรษฐีชื่ออิละลีสักว่าคนไหนนนี่แหละเรื่องโกศิยะเศรษฐีผู้มีความตาระณีจบและนั่นคือเรื่องของโกศิยะเศรษฐีที่เหนียวมากทั้งบุหวังแต่ก็ถูกท่านพระมหาโมคลาณนะใช้ฤทธธรรมานิสัยที่เป็นอย่างนั้นได้เดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงจะมี ท่านผูฟังที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้อยเช่นว่าบางทีเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเลยนะทำเท่าไหร่จนมันไม่ได้เนี่ยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมันหมดอยากไปเลยแบบไม่เอาแล้วสิ่งนี้ฉันไม่เอาแล้วพอละทําเท่าไหร่ไม่ได้ฉันพอในที่อยากมากๆเนี่ยไม่เอาไปอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอยากกินมากจนกระทั่งทํำยังไงจะไม่ให้เขาอะ่ะจนกระทั่งตัวเองหมดแรงเหนื่อยอ่อนแล้วก็ หมดความอยากที่จะกินขนมนั้นไปเองจิตใจก็เป็นมหากระตะและทีนี้ความตระหนี่หายไปเหลืออะไรละทีนี้อกุศลหมดไปก็เหลือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั่นคือจิตของเราเนี่ยพอเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมรีดมันออกไปขับมันออกไปนี่เป็นลักษณะของการทําความเพียรละนั่นเป็นสัมมาวายามาะละจิตนั้นก็เริ่มมีมรรคแปดอยู่ในใจนั่นก็จึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ขนมเบื้องในที่นี้ ก็มีคำเรียกเป็นภาษาอินเดียเขาก็คือขนมคาชาเป็นขนมแป้งที่เอามาทอดมีรสหวานแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีขนมชนิดนี้ขายอยู่ในที่เมืองราชจักรุษแล้วบริเวณประตูเชตวันทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกว่าซุ้มขนมเบื้องอยู่อย่างนั้นจริงๆแต่ก็มีอยู่และท่านผู้ฟังจะมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องราวชาดโด ก, ก็ตามหรือว่านิทานธรรมบทก็ตาม อีประการหนึ่งในเรื่องนี้ท่านได้กล่าวถึงนิทานชาดกที่ชื่อว่าอิละลีสะชาดกใช่ไหมอันนี้คือเป็นเรื่องในสมัยก่อนที่ท่านพระมหาโมคลาณะเนี่ยเกิดเป็นเท้าส ก, กเทวราชแล้วก็มาทรมานเศรษฐีที่ชื่อว่าโกศิยะเศรษฐีเนี่ยนะในชาติก่อนเนี่ยเขาก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันชื่อว่าอิละลีสะคิดว่าในพรุ่งนี้จะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ท่าบูฟังฟังและประกอบกับ เรื่องของเศรษฐีขี้เนี่ยคนอื่นๆด้วยเหมือนกันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังก็จดหมายกันไม่ได้นะที่วัดป่าดอนไหสโกเลเทีึ่1หมู่8ตํตำบลดอนไหสโกออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือไปที่เว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com เจริญพร